เราเ ร, เรียนแล้วเรียนอีกหน้าตาซ้ําๆส่วนมากน่าจับหลักให้แม่นนะไม่ต้องเรียนเยอะจับหลักให้แม่นๆวัตถุประสงค์ของการศึกษาธรรมะคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองเพื่อว่าจะพ้นทุกวัตถุประสงค์จริงๆเราจะอยู่กับโลกอย่างมีความทุกข์น้อยๆนะ หรือไม่ทุกเลยถ้าอยู่กับโลกอย่างฉลาดก็มีความทุกข์น้อยอยู่อย่างไม่ฉลาดก็ทุกข์เยอะถ้าพ้นโลกนะอยู่กับโลกแต่ไม่ติดกับโลกนพ้นทุกข์จริงๆนี่เราก็ฝึกฝนของเราไปะความทุกข์ก็ห่างออกไปห่างออกไปจิตใจตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นลําดับไปเพรเราเรียนเนยเพื่อความพ้นทุกข์ เรียนลงมาที่กายที่ใจเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ตื่นตื่นขึ้นมาหน่อยกายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์จริ ง, รงๆกายกับใจเป็นตัวทุก <c ười> ข์คันห้าเป็นตัวทุกข์เรายังไม่เห็นตัวนี้เราเห็นแค่ว่ามันเป็นที่ตั้งของความทุกข์เราไปสังเกตว่าความทุกข์มันเข้ามาได้ยังไงเราคิดว่าความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาที่กายที่ใจเนี่ยอย่างเรานั่งอยู่นะความทุกข์ก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามามันเมื่อย หรือ ใ, ใจเราค่อยๆดูไปหเห็นความทุกข์มันแอบเข้ามามีกิเลสเข้ามาเมื่อไรความทุกข์ก็ตามมาเรื่อยๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเห็นลึกซึ้งลงไปนะกายกับใจไม่ใช่เป็นแค่ที่ความทุกข์มาอาศัยอยู่หรอกตัวมันตัวทุกข์ตัวนี้ดูยากที่สุดต้องค่อยๆฝึกไปค่อยๆแยกความทุกข์แต่ละชนิดไปนะความทุกข์ ทุกตืนตื้นเลยที่ใครๆก็รู้จักเรื่องว่าทุกขเวทนาความรู้สึกทุกอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกทุกมันเกิดขึ้นนั่งแล้วมันเมื่อยมันปวดมันเจ็บมันคันมันหนาวมันร้อนใ เ, เนี้นะมันไม่สบายทางร่างกายความทุกเรียกว่าทุกขเวทนาจิตใจของเรากพเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะความทุกทางใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนา ใจกับใจจะเรียกเป็นทุกขเวทนาด้วยก็ได้นะแต่จะเรียกสั์เฉพาะมันจริงๆเรียกว่าโทมนัสเวทนามันไม่สบายใจให้เราหัดรู้ลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าแต่เดิมร่างกายมันก็ดีๆอยู่เวทนามันแอบเข้ามากายกับเวทนาคนละส่วนกันดูที่จิตใจเราก็เห็นว่าจิตใจอยู่ต่างหากนะเวทนาทางใจก็เป็นสิ่งที่แอบเข้ามาคละส่วนกันหัดแยก รู้ลงไปรู้ลงไปมันแยกออกจากกันเสร็จแล้วเราไม่มีสติรู้กายรู้ใจของเราไปอีกเราจะเห็นในสภาวะทางกายทางใจแต่ละอันแต่ละอันเนี้ทนอยู่ไม่ได้ครับนั่งนานก็ไม่ได้นะเดินนานยืนนานก็ไม่ได้ให้ใจเข้านานไปก็ไม่ได้ให้ใจออกนานไปก็ไม่ได้มันมันทนอยู่ไม่ได้ในแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะ ความสุขมันก็ทนอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวสลายไปจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็สลายตัวไป mm. เกิดที่หูแล้วสลายไปเกิดที่ใจแล้วสลายไปอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นทุกขลักษณะทุกขลักษณะคือสภาวะคือความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะธรรมทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้เราก็ดูลงไปอีก อย่างร่างกายเรานั่งให้สบายเลยนะเวทนาเกิดขึ้นนะเรารู้แยกออกไปกายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งเราก็เห็นร่ากายนี้มันทนอยู่ไม่ได้จริงนะทนอยู่ไม่ได้นานหรือจิตใจของเราทนอยู่ไม่ได้จริงกายดูยากนะกเห็นจริงๆต้องเห็นธาตุเราจะเห็นในธาตุมันทนอยู่ไม่ได้อย่างในลมหายใจเราเนี้ยหายใจเข้าไปเย็นนะหายใจออกมาร้อนอะไรเนี้ย ธาตไฟทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเราเวลาเดินธาตุดินทนไม่ได้อย่างเรายกเท้าขึ้นมาเนี้ยนองเราย่อนใช่ไหมมันนิ่มลงธาตุดินมันล่นลงลเราเหยียบพื้นลงไปเนี้ยนองมันแข็งขึ้นมาธาตุดินมันเพิ่มขึ้นเราเห็ น, น, นเลยธาตุมันก็ทานอยู่ไม่ได้นะแต่ดูยาก่างยนี้ดูยากแค่ดูเห็นว่าเป็นตัวก้อนทุกข์ก็บุญทมไปแล้ เป็นตัวทุกข์ที่ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างง่ายๆกว่าดูให้ถึงธาตุ้ม่กอย่างจิต ใ, ใจเราก็ดูไปมีแต่ของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนๆนะจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับจิตที่สุขที่ทุกข์เกิดระดับหมดเลยทุกอย่างเกิดระดับการที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองที่เราเห็นทุกขลักษณะชัดเที่เรารู้ไปรู้ไปเราก็จะค่อยๆแยกออกไปนะ ความทุกข์ก็อนหนึ่งนะตัวขันก็อันหนึ่งเนี่ยมันเข้ามารู้เฉพาะตัวขันอยู่ในตัวขันล้วนๆเลยท่านี้อันเนี้ถ้าปัญญามันพร้อมที่จะเห็นตัวขันเป็นทุกข์พูดยากพูดยากมันทํายากพูดยากที่แรกมันจะเห็นกายมันที่เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยนาะทุกข์อยู่ทุกอ์ลูเลยไม่มีที่ไม่ทุกข์ ใจจะวางกายลงไปอวางกายลงไปมันจะรวมเข้ามาที่จิตผู้รู้อันเดียวเป็นจิตผู้รู้แล้วไม่ใช่จิตผู้หลงในการปฏิบัติมันจะบีบมงกระชับเข้ามาที่จิตของเราเนี่ยให้เรารู้อยู่ที่จิตอีกโมทมนัตเวทนาก็แยกไปนะความทุกข์ทั้งใจนี่แยกออกไปไม่ใช่ตัวใจตัวใจเองเนี่ยดูเหมือนเที่ยงตัวจิตผู้รู้เนี่ยดูเหมือนเที่ยง ดูเหมือนเนี่ยพ้นจากทุกขลักษณะนดูเหมือนคงที่เป็นภาพหลอกๆเลยถ้าจิตมันทรงสมาธิมากเนี่ยเลยรู้สึกว่าจิตนี่คงที่แต่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะปัญญาพอเนีจะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตใจของเราที่จะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนี่ทําได้ยากต้องกล้าหาญต้องอดทนคันติสำคัญมากเลยัย่นองค์ทำ ที่เราจะใช้อย่างมากเลยนะนอกจากสติสมาธิปัญญาแล้วตัวสําคัญมากคือขันติเอาไปใช้ตอนที่จะแตกหักกันเหมือนพระโพธิสัตว์จิตของเราก็คือโพธิสัตว์นั่นเองนะจิตของเราคือผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์นั่นนะเรียกโพธิจิตในจิตของเราผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์ในขณะที่จิตดําเนินไปสู่จุดที่จะแตกหักกันมานมันจะผจญ น, นะ มารห้าตัวเลยกขจนเลยเราจะรู้สึกอันแรกเลยกิเลสกิเลสมารนะมันแผดเผาใจเรานะเราจะรักตัวกลัวตายมากเลยขันธา์มารเขามีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยบีบคั้นเหมือนจะระเบิดเหมือนจิตใจจะระเบิดจะตายเอาอาพ่สังขารมารคือใจเนี้มันจะสู้กันใจอันหนึ่งบอกว่าหนีเหอหนีเหอถอยอ้อมเหอมัน บีบคั้นมากนะถอยเสถ่ยถอยเสถอยใจหนึ่งก็ตายก็ตายนะสู้ตายมันเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นเลยว่าถ้านั่งต่อไปไม่ลุกจากอาสนะอ น, นันเแล้วเนะี่ยไม่บ้าก็ตายเหลืออยู่แค่นี้เองไม่มีทางเลือกอื่นเลยเทวปุตตมานก็คือใจของเรานองใจของเรามันจะคอยกลับกรอกมันคอยเตือนนี้เหอะนี้ฮหอะชวนให้เลิอกอะ่ะอย่าสู้เลยอยู่เท่านี้ก็ดีถมไปแล้ะ มัจจุมานเหมือนความตายมารออยู่ข้างหน้าแลเนี่ยมันมารุมเราในขณะนั้นเลยนะมารุมอุตรุษเลยขันติเนี่ยสําคัญมากสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนะบารมีทั้งหลายเนี่ยต้องงัดมาใช้หมดเลยนั่เราต้องสร้างนะแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างฐานและบารมีก็สําคัญนะเรากล้าสละชีวิตตัวเองไหมกล้าสละชีวิตไหมอดทนอดกลั้นพอไหม ตั้งใจมั่นอธิษฐานน้ำบาตรมีตั้งใจมั่นไหมมีสัจจะไหมยอมรับความจริงไหมถ้ากําลังเทียงพอนะก็จะสู้ไปนั่งรู้นั่งดูไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะสลัดคืนจิตให้กับโลกไปเห็นจิตนี่ทุกข์ล้วนๆเลยทุกทุกอนูเลยนะทุกทุ ก, ทกมือนไม่มีทางออกนะอยู่ๆมันหลุดออกไปเลยมันสลัดคืนให้โลกเข้าไปอนี่ปฏินิสักขะการสลัดคืนไป จิตหมดความอาลัยอาวร์เล่นอนารลยะไม่อาลัยอาวร์ไม่มีความอาวร์ไม่ผูกพันเรียกว่าวิมุติจิตมันหลุดพ้นออกมาใกนการปฏิบัตินะยังไม่พ้นวิสัยนะพวกเราต้องสู้ต้องสู้ต้องค่อยศึกษาทํำยังไงสติจะเกิดทําไงสมาธิจะเกิดทําไงปัญญาจะเกิดอดทนอดกลั้นน ะ, ะความลําบากกายลําบากใจ ศึกษาด้วยสติปัญญานะไม่ใช่อดทนแบบวัวแบบควายนะถึงคราวที่จะต้องสละก็สละนะถึงคราวจะสู้ต้องสู้จะสู้ด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆล้วนๆหนนะ่อยในเวลาต่อสู้นะนะั้นเหมือนตัวคนเดียวในโลกเลยนะที่ในตำราบอกว่าพระโพธิสัตว์สู้อยู่คนเดียวเลยสู้กับมารมารทั้งกองทัพเลยนะคือมารทั้งห้าตัวเลยนะลนยะ ตู้อยู่คนเดียวเดวเดี่ยวเดียวดา ย, ดยดนะต้องฝึกต้องมีสัจจะกับตัวเองต้องตั้งใจให้มั่นตั้งใจแล้วต้องทำอย่าโลเลอย่างแต่ละวันเราต้องตั้งใจว่าเราจะต้องปฏิบัติมีรูปแบบต้องอาศัยรูปแบบนะแต่ละวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยแต่ตั้งสัจจะไว้อย่างน้อยห้านาทีสมมติอย่าตั้งเยอะนะ ตั้งเยอะว่าทุกวันจะต้องนั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมงนะยิริยาบทละสองชั่วโมงอนะไรเงี้ยพอทําไม่ได้ใจฝ่อใจฝ่อแล้วยิ่งแย่ใหญ่ถ้าตั้งสัจจะจะต้องทําให้ได้สิบนาทนะีจะเป็นจะตายเอาให้ได้ไม่ทิ้งไม่เสียสัจจะไม่เสียความตั้งใจถ้าทําได้ช่วงหนึ่งมันจะเกิดบารมีนะจิตใจมันจะเข้มแข็งขึ้นมาถ้าหยาะเหยาะให่ใหญ่ไม่ได้กินเอก ธรรมานี้ไม่ใช่ของพวกเหยาะแย่พวกเล่นเล่นมือสมัครเล่นไม่ใช่นะะจ ะ, จะคิดแจะข้ามพบข้ามชาติจะเอามากมาเอาผลจริงๆต้องต้องเด็ดเดี่ยวาต้องรู้ด้วยว่างานหลักของเราคือการปฏิบัติงานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจส่วนการทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรนี่เป็นงานอาศัยเพื่ออาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นเอง เราเกิดมาชาตินี้เจอศาสนาพุทธงานหลักของเราคือศึกษาธรรมะศึกษาลงในกายในใจเอาความพ้นทุกข์ให้ได้ชาติไหนไม่เจอศาสนาพุทธก็ค่อยไปทําอย่างโลกโลกก็ทํำชาตินี้มีโอกาสนะอย่าเสียโอกาสอย่าผลัดนะนคนผลัดรอให้แก่ๆ ก, ก่อนจะค่อยปฏิบัตินะ่ะแก่แล้วจะไปทําอะไรไหวพออายุห้าสิบนะมันเริ่มไม่ไม่ได้เรื่องนละ้ทั้งกายก็ไม่แกข่งแล้วนะจิตใจ จิตใจก็ทนทานได้เยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ทนแบบแข่งแข่งจริงๆสติปัญญามันไปนแก่รอบจริงๆช่วงอายุสามสิบห้าถึงห้าสิบช่วงนี้นะเขาเกิดนั้นเนี่ยแค่นั่งเฉยๆบางทีเบลอๆได้นะเบลอๆเคลื่มเคลื่อนเรื่อนเรือนไปมันหมดเลี้ยวหมดแรงจิตเยวลงไปเฉยๆนี่เหตแต่ว่าเราฝึกจนเอาตัวรอดแล้วนะตอนนี้มันไม่มีเสื่อมสว่างจ้าทันอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืน ไม่มีมองเลยไม่มีอะไรเข้ามาแต่งได้เลย น, นั้นหมายถึงเราทำเสร็จแล้วเราต้องรีบทำตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะต้องค่อยๆฝึกตั้งแต่อายุน้อยๆอยัอยงวัยรุ่นอย่างอะไรนะมันก็วุ่นวามากหน่อยฝึกยากโลกมันดึงดูดได้แรงพอช่วงกลางๆคนนี่เป็นช่วงที่จะแกล้งในการปฏิบัติได้เยอะนละ ช่วงส5ิบห้าถึงห้าสิบเนี่ยสติพัญญามอยแก่กล้าเต็มที่ช่วงนี้อารมณ์ไม่หวือหวาอย่าทิ้โงโอกาสทองตัวนี้นี่ชาวโลกเนี่ยเราเอาเวลาช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติเนี่ยนะมุ่งไปอยู่ทางโลกหมดทุ่มลงไปกับการทำาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรต่อนไรนะทาจริงแล้วเราทุ่มเทกับทางโลกก็ไม่ได้ขัดกับทางธรรมถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติที่หลวงพ่อบอกให้แล้ว เราสามารถจเจริญสติในชีวิตประจําวันได้เราก็ทํางานทางโลกอยู่ปกตินั่นเองนะทํางานไปดูไปรู้ไปเราจะแบ่งเวลาแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆไม่ใช่ว่าต้องรอมีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะมาปฏิบัติไม่ใช่เราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เราเป็นคารวาสเรามีเวลาว่างนาทีสองนาทีอย่าทิ้งเสียเปล่า เอามาดูกายดูใจของตัวเองแบ่งเวลาแบ่งชีวิตเป็นช่วงเล็กๆนะเช่นตอนตื่นนอนตื่นนอนยังไม่ได้ทํางานใช่ไหมตอนตื่นปุ้บรีบดูของเรารู้เลยรู้ลงในกายรู้ลงในใจในร่างกายอยู่ในอิริยาบถไหนรู้ลงไปะเห็นเลยเห็นร่างกายมันนอนอยู่ไม่ใช่เรานอนเห็นนึกขึ้นได้ใจมันคิดนะวันนี้วันจนันใจมันขี้เกียจ ร, รู้ว่าขี้เกียจวันนี้วันพุธมีขี้เกียจเยอะนะ ม่ขี้เกียจมากวันพฤหัสเริ่มสดชื่นวันศุกร์สดชื่นเยอะนี่ค่ยรู้ของเราไม่ทิ้งในลาบเร า, เ, าเดินไปห้องนองห้องน้ำนะดูของเราไปขับถ่ายออกมานะมันสวยงามไหมมันหอมไหมคิดอย่างนี้พิจารณายอย่างนี้นะจะเบื่อหน่ายในร่างกายนี่เป็นสมถะหรอกคือเห็นร่างกายนี้มันอาบน้ำนี่ ร่างกายที่กําลังถูสบู่ร่างกายที่กําลังถูตัวเอยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทํางานไม่ใช่ตัวเราอย่านี้ก็ได้หรืออากาศมันเย็นจะอาบน้ําใจมันฝ่อรู้ว่าใจมันฝ่ออาบไปแล้วใจมันเริ่มสบายขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มดีใจรู้ว่าดีใจอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวอบอุ่นแล้วสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขทําได้ตลอดนะจะทานข้าวก็ได้นะมือมันตักอาหารเห็นในรูปมันเคลื่อนไหว เป็นรูปที่ตัวที่กําลังกระดุกกระดิกวัตถุธาตุก้อนเนี้มันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราที่ไปตักอาหารมาใส่ปากเนี่ยปากนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอรูปนี่มันก็เชี้ยวอาหารของมันไปมันก็กลืนของมันไปดูไปอนี้พอลิ้นกระทบรสมันยินดียินร้ายขึ้นมาก็มีสติรู้ทันไม่เวียนอยู่เนี่ยนะในการเรียนรู้กายรู้ใจเนะนี่ยทั้งวันเลยเอาให้ได้นะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นนะ แค่เวลานอนหลับเวลาที่เหลือเนี่ยให้มาคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆให้มันเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะถึงจะข้ามพบข้ามชาติกันได้ถ้าหยอกหยอกแย่แย่รอให้ว่างก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนจะลางงานได้เมื่อไหร่เราจะได้เริ่มปฏิบัติไม่ได้กินออกชาติเนี้ยอีกชาติหน้าก็ยังไม่ได้ด้วยแล้วนี่ใส่ไม่ดีเราต้องกล้าหานนะต้องเสียสละ อย่าโม่แต่เพลินเพินเพินแป๊บเดียวแก่แกล้วแก่แล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงจะปฏิบัติเนี่ยต้องพักเพียรเอาตั้งแต่ยังมีแรงอยู่มีหลายคนเลยตอนแข็งแรงอยู่นะชวนให้ปฏิบัติไม่เอานะาเจ็บหนักมากๆรอแเร้รอแเร้มาถามว่าจะภาวนาไงโอ้ภาวนาไงเตรียมตายได้แล้ว <c oughs> <c oughs> จิตใจมีแต่ทุรนทุลายทําอะไรไม่ไหวแนละ้ว เหมือนไม่หัดว่ายน้ำไปก่อนตกน้ำไปแล้วมาถามมหาวิธีว่ายน้ำก็ตายเท่านั้นเองการภาวนาเนะี่ยอย่าประมาทนะเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเรายาวแค่ไหนตายเมื่ อ, อไหร่ก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องแก่แล้วถึงจะตายนถ้าเผลอเผอแบบเดียวนะแก่ไปแล้วหรือตายไปแล้วเสียโอกาสชาติไหนจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกยังไม่แน่เลยเกิดเป็นคนยากนะสัตว์เต็มโลกเต็มจั ก, กรวาลมีคนอยู่ไม่กี่พันล้านคนมีนิดเดียวเอง สัตว์เยอะแยะไปหมดนะในวัดหลวงพ่อเนี่ยสัตว์คงเยอะกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันนะเยอะแยะเลยตัวเล็กตัวน้อยโอกาสที่จะได้เป็นคนที่ยากที่สุดเลยเป็นคนแล้วสติปัญญาสมประกอบอย่างพวกเรายิ่งยากหนักขึ้นอีกมีสติปัญญาสมประกอบมีกายมีใจสมประกอบแล้วสนใจศึกษาปฏิบัติทำหายากนะศึกษาแล้วไม่หลงไปทําอะไรผิดผิดถูกถูก ศึกษาแล้วมาได้ศึกษาเรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจก็ยากลงมือทาก็ยากอีกน้อยีอคนน้อยคนที่จะทำจริงๆยิ่งจากคนหลายพันล้านจากสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนบีบมาเป็นคนหลายพันล้านจนมาถึงคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมอยู่ในหลักสิบหลักร้อยเท่ า, านั้นนะมีไม่มากหรอกน้อยเต็มทีพวกเราเป็นกลุ่มที่มีโอกาสนะคล้ายๆมันบีบเพาืามาจะเป็นครีมนะ่ะ จุดที่มีคนไม่มากแล้วที่เข้ามาได้อย่างพวกเราหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าคนทั้งประเทศไทยนะที่ตื่นแล้วเนี่ยถึงหมื่นคนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ด้วยซ้าไปเดินไปสำนักต่างๆเที่ยวไปดูเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีคนที่ตื่นขึ้นมาที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้ แทบไม่มีแทบไม่มีพวกเราจำพวกเราจํานวนมากตื่นขึ้นมาแล้วนะ่คือคนกลุ่มน้อยเต็มทีนะพวกเราพอมีสติขึ้นมาเราสิ่งสําคัญคือความต่อเนื่องนะต่อไปนี้ทํานืองเมืองทําบ่อยๆรู้บ่อยๆ อ, อย่าเลิกรู้เข้าไปในกลุ่มเล็กนิดเดียวซึ่งมีจํานวนหลักพันถึก็หลักพันทนะี่พวกเรามาเรียนที่ของเราตื่นขึ้นมาถ้าทําไ ม, ไม่ไม่ไม่ล้าเลยไม่ทอดทิ้งนะ โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะในชีวิตนี้ก็มีแต่ถ้าจิตไม่ตื่นไม่มีโอกาสหรอกเมื่ออาทิตย์ก่อนไปสอนมีเด็กมาเรียนเจ็ดสิบกว่าคนเมื่อวานเขาบอกยอดลืมไปแล้วมีเยอะเหมือนกันคนที่ยังไม่ตื่นนะห้าหกคนเองถ้าตื่นโลร่งไปหมดเลยนะสว่างโลร่งไปทั้งห้องเลยนะสติมันเกิดอัตโนมัติแล้ว อะไรเกิดขึ้นในกายรู้อะไรเกิดขึ้นในจิตรู้นะตื่นข้ามันมีกายเคลื่อนไหวระลึกรู้มีจิตเคลื่อนไหวสติระลึกรู้อัตโนมัติราลึกรู้โดยไม่ได้จงใจจะรู้จิตมีตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแต่จิตใจตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวจิตอ่อนจิตเบาจิตคล่องแคล่วว่องไวจิตควรแก่การงานจิตไม่ถูกกิเลสครอบงา จิตซื่อซื่อจิตตรงตรงจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีสติรู้กายก็เห็นกายตรงตามความเป็นจริงมีสติรู้จิตก็เห็นจิตตรงตามความเป็นจริงพอเห็นตรงตามความจริงค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดไปเบื้องต้นเห็นเลยไม่ใช่เรากายกับจิตไม่ใช่เราได้สวดับันมีสติรู้เขาเ้าไปอีกรู้เขาเ้าไปอีกนะสติมันไวอัตโนมัติเลยกิเลสไหวตัววับสติเห็นทันทีขาสะบ้านตรงนั้นเลยนะ ฝึกไปเรื่อยๆแต่ไปเห็นกายนี้ทุกข์รุนรุนจิตวางกายลงไปไปเห็นจิตนี้เป็นทุกข์รุนรนจิตวางจิตลงไปงานนี้ฟังแล้วยากนะไม่ยากหรอกอดทนตั้งใจทำเนี่ยสามปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยทําไปไม่ได้นานอะไรนไม่ได้นานเราเรียนหนังสือทั้งสิบปียี่สิบปีเราก็เรียนได้ใช่ไหมทํำไมเราจะเรียนรู้ตัวเองขนานไปกับการดํารงชีวิตปกติ ไม่ได้กินเวลาเราทําไมเราทําไม่ได้เพราะเราไม่อยากทำเอง่งเราอ้างหาข้ออ้างไม่ปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่หาข้ออ้างนะรู้ลงไปรู้กายรู้ใจถึงเวลาทํางานก็ทําไปถึงเวลาต้องติดต่อกับคนอื่นก็ติดต่อไปหมดเวลาไม่ต้องติดต่อกับใครก็มาเรียนรู้ตัวเองไม่เอาเวลาไปเสียเปล่าๆหลวงพ่อเป็นคนที่ห่วงเวลาที่สุดห่วงฉนั้นภาวนาจะใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่ง รทั้งไปหาครูบาอาจารย์นะไปประเดียวประดา้าเราไปแป๊บๆพอรู้หลักแล้วก็กลับมาดูของเราเองมันไม่เสียเวลาเวลาของแต่ละคนเป็นทรัพยากรที่หายากนะหายากแต่ถ้าพูดอย่างหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าหาง่ายสับไนที่มีกิเลสมันก็มีอีก <Okay. S 1> แต่อันนั้นหมายถึงหาแบบไร้ทิศทางนะ จะมีเวลาที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ในวัยที่เหมาะสมมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีโอกาสได้ฟังธรรมตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติองค์ประกอบเหล่านี้หายากมากหลวงพ่อคิดว่าคนที่ตื่นขึ้นมานมีไม่ถึงหมื่นคนหรอกจริงมีน้อยเต็มทีนะน้อยั้นเราฟังธรรมจนจะท่านจิตเราตื่นขึ้นมาได้นะยากมาก นี่เป็นจุดแรกเลยที่ยากมากให้เราต้องเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงได้โดยไม่ได้เจตนาจิตจะตื่นหลังจากนั้นก็ต้องตามรู้ตามดูจะเข้าไปแจ่มแจ้งปล่อยวางได้นี่ยากขึ้นไปอีกนะ mm hmm. ยังเหลือน้อยลงน้อยลงนะนุบางคนมาเล่าหลวงพ่อว่าเนี่ยตอนนี้มีที่วัดโน้นภาวนาเป็นพระอราหันต์สิบองค์หลวงพ่อไม่เชื่อหรอก บางหมู่บ้านเป็นพระรหันทั้งหมู่บ้านเนลยโอ้หันไปหันมาก็มีนะเป็นพระราหันนะเสร็จแล้วก็ตีกับสามีนะเพื่อนกระตือนที่เธอเป็นพระรหันนะเธอทะเลาะกับสามียังไงบอกทะเลาะเป็นกิริยา <c oughs> มันไม่ใช่ง่ายนะจะเอาชนะมารนะในใจเราเนี่ยต้องสู้จริงๆเลยต้องขยันดู สังเกตวันนี้ไม่ได้ตรวจกันบ้านเยอะเกินกว่าจะตรวจวันธรรมดาีสามสิบสี่สิบคนอะไรเงี้ยนะห้าสบคนยังพอตรวจกันบ้านทันนะเยอะๆอย่างนี้ไม่ไหวแล้วช่วยตัวเองนะเอาซีดีไปฟังเอมีเวลานิดหน่อย7็ดนาทีใครจะกุยอะไรเชิญ ก็เห็นถึงการคล้อยตามกิเลสไปโดยที่กิเลสมันหลอกถึงความสุขที่รลอแต่ว่ามันเหนื่อยมันมันเห็นใจที่เหนื่อยที่คอยปุ่มตามไปครับอย่าไปเกลียดมันนะอย่าปเกลันครับให้รู้เรื่อยๆรู้เล่นๆทำใจให้สบายก่อนใจมันขาดสมถะเวลาที่เราเจริญปัญญาตามรู้กายรู้ใจรวดไปเลยนะมันเหมือนแผ่นดินที่แห้งแล้ง ปัญญาเราเป็นแสงสว่างแม้มันแผดเผากิเลสนลมันเผ า, าใจแห้งไปด้วยนะ <c oughs> แต่แห้งแรงสมาธิสมถะเหมือนน้านะเหมือนฝนให้ความชุ่มชื่นถ้าฝนมากเกินไปก็ดินก็เหลวไหลไปเลยนะถ้าไม่มีฝนเลยนะะเจริญปัญญารวดไปเลยดินนี้ก็แห้งแล้งตอนนี้ใจคุณแจแห้งไปใจแหง้งไม่มีความสุข ไปเพิ่มสมถะถ้าทำได้นะทำไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเขาพิจารณาความตายพิจารณาอะไรเงี้ยถ้าใจสงบลงมาแล้วมันได้กำลังคือสองอย่างตอนที่ตอนนี้<ม>เวลาว่างอยู่บนรถหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะอ่านหนังสือทีนี้พอเห็นนิมิตของตัวเองอยู่ดีกบคือตอนนั้นคิดว่าทำให้าจถึงล้า ก, กายได้เห็นตัวเอง อยู่ดีก็แก่ไปเลยติดเป็นเจ้ามากขาอ่อนแล้วมันมีอยู่หลายครั้งที่แบบช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือแบบทุกข์มากน้ำตาไหลทุกวันเลยแล้วก็เอ๊ะทํำไมเราทุกข์อย่างนี้นะนัขนาดนั่งเล่นทวิตเตอร์อยู่ก็ยังทุกข์อยู่นั้นก็เปิดเทปคือธรรมดาจะใช้เวลาว่างในการฟังเทส์ก็ฟังก็บอกว่าพระ อ, อาจารย์บอกว่าขณะที่นั่งฟังเทส์เนี่ยจิตเป็นยังไงแล้วเอ๊ย เขาแบบท่านรู้ได้ไงนะว่าเรากำลังฟังเทศอยู่มันไม่มีอะไรใช่ไห ม, มไม่ได้สุขมไม่ได้ทุกข์จิตมันสุกวนตอนเนี้ยทําไมเราไม่ไม่จิต ไ, ไม่ใช่ของเรานะจิตเราอะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์ไม่ได้มีความรู้สึ ก, ก, ส, กสุขอะไรตอนนั้นจิตมันหลุดไปเลยค่ะตัวมันเบาเหมือนกับตัวลอยได้มันมันทิ้งตัวมันทิ้งจิตของตัวเองเราขึ้นไปแล้วอยู่ดีพอพอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทํางานแบบไม่ดีก็กดแป้นแรงๆก็รู้สึกว่าวิ ทำไมโทรศัพท์มันขึ้นมาเออดีดีแล้วต่อไปก็อาทิตย์ที่แล้วจิตตกอาทิตย์นี้เก็บขึ้นมาได้นะค่ะก็ตามรุดตั้งจริงไปเลยก็มองกลับไปว่าเวลามันก็มองเห็นนะคะว่าเราบุบ้องยังไงว่าไม่ควรจะไปไปจับทำไมต้องไปจับมันขนาดนั้นนะคะจับเองไห้ามไม่ได้หรอก มันห้ามไม่ได้มันจับเร็วนะแต่มันปล่อยไม่ได้มันเหมือนมีเหตุปัจจัยที่เข้ามาแล้วมันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มากระทบเรานะคะในการที่จิตมันจะไปจับมันสังเกตดูจริงๆมันสองส่วนอันหนึ่งมีสิ่งมายั่วมีสิ่งมายั่วอันที่สองจิตมันยังถูกยั่วได้นี่เราฝึกเจนกระทั้งจิตนี่ไม่มีอะไรมายั่วมันได้แ้มีปัญญาขึ้นมา น้องข้ันรบกวนเรื่องหนึ่งพอดีคุณพ่อนี่ป่วยหนักอะนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงท่านทีนี้ก็ทําสมาธิบ่อยๆแล้วก็นึกไปถึงว่าตัวท่านมีแสงเรืองๆแสงแล้วเราก็แผลชิตเราไปนี่ท่านใช้ได้ได้นะคะแต่สู้กรรมไม่ได้นะสุดท้ายมันสู้กรรมไม่ได้เราช่วยได้นิดหน่อยครับ หนักๆแข็งๆอ่ะสงสัยนั่งผิดที่ใช่มานั่งเผชิญหน้าหลงพ่อต้องขยะบตรงนี้กำลังดีใครมานั่งอย่างนี้นะลำบากแล้วก็อาทิตย์นี้ฟุ้งค่ะไม่ทราบว่าวโดยรวมยังปฏิบัติใช้ได้หรือเปล่าฟุ้งสันให้รู้ใจใจมันหลุกหลิกเกินไปมันไม่ค่อยตั้งมั่นในการดูนะมันต้องมันเหมือนกับเพิ่มความจงใจในการรู้ขึ้นนิดนึง ความตจงใจในการรูนดดนะ้นิดเดียวนะนิดเดียวนะบางเท่าแผ่นกระดาษอย่างนั้นจงใจมากเดี๋ยวจะไปแข็งแข็งอีกใจมันฟุ้งซ่านที่จริงก็คือ <จำ S 1> ทําความสง บ, บเข้าม า, ม า, มาพุทโธพุทโธอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพุทโธเล่นๆอย่าพุทโธให้สงบนะพุทโธเล่นๆถ้าใจเขาสงบของเขาเองแล้วมันถึงจะพอดีถ้าจงใจไปบีบเค้นให้เขาสงบเขาจะไม่สงบ แล้วถ้าเกิดในชีวิตประจำวันเราต้องต้องพูดเยอะค่ะจะพูดยังไงให้มีปัญญาจริงจริงคงไม่พูดเท่าหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อพูดมากมากวันวันแล้วให้ใครรู้ใจเราจําเป็นจะพูดก็พูดไม่จําเป็นก็อย่าไปพูดมันพูดแล้วอั ต, ตาเยอะด้วยค่ะดีที่เห็นดีที่เห็นโดยเฉพาะการพูดธรรมะนะ <c oughs> ทํำให้หัด ต, ตาเยอะ <c oughs> ออกความเห็นเรื่องอะไรัตตาขึ <c oughs> ให้เรารู้ทันยึดถือในความคิดความเห็น สิ่งที่ทําให้คนตีกันนะมีสองอันผลประโยชน์ขัดกันกับความเห็นขัดกันภาษาพราเรียกว่าปัญหาและทิฐิทําให้คนตีกันนี่อย่างพวกเราของคุณสรัญญาปัญหาน้อยแต่ทิฐิเยอะไม่ได้อยากแย่งอะไรกับใครเขาเท่าไรหรอกแต่ว่ามันยึดในความเห็นรุนแรงหงุดหงิดง่ายแล้วก็เราก็รู้ทันของเราพุทธธรรมามากๆไม่ดีนะหลวงพ่อถึงบอก ก็อย่าไปพูดธรรมะนะถ้าพูดเยอะเกินไปเขาเสียเลยมานาอัตตาแอบเพิ่มขึ้นมาได้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเอาตัวรอดก่อนแล้วพูดพูดเราเห็นกิเลสดีหรือไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่ไม่พูดแล้วคือถ้าไม่พูดมันก็ไม่เห็นตัวนี้แต่พูดแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าพูดแล้วเห็นกิเลสแล้วรู้ทันกิเลสนี่ใช้ได้นะแต่ถ้าพูดไปแล้วเกิดกิเลสแล้วไม่เห็นมันใช้ไม่ได้ส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอก เวลาพูดล้วจิตใจมันฟุ้งั่นอดูยากเฮวันนี้เชิญลงไปทานข้าวเลยไป